เมื่อกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นเวลานานๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและได้รับผลอย่างไรจ้าให้ลองไปทำดูไปทำแล้วเอามาบอกด้วยว่ารู้ยังไงเป็นเกิดขึ้นยังไงเข้าใจไหมคนถามถามว่าถ้าดูลมหายใจเข้าออกดูแล้วจะเป็นยังไงใช่ัหมดูไปนานๆอะไรนะ ดูไปในนานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและได้ผลอย่างไรไปทำเองทำแล้วเอามาบอกด้วยอ้ง่ายดีนะคำตอบนะไม่ต้องทำอะไรมากคนตอบทำไมไม่อยากไม่อยากตอบเพราะว่าอยากให้ไปปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติเมื่อเข้าใจคำสอนแล้วรู้วิธีแล้วเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นมาข่าวนี้มาสนทนากันได้ยากถยักถีจักรยานได้ก็ต้องฝึกใช่ไหมล่ะต้องฝึกหัด ฝึกหัดยังไงฝึกหัดจักรยานเคยฝึกไหมตอนเป็นเด็กอะ่ะอยากทีบจักรยานเป็นเห็นเขาทีบไปไหนมาไห น, มาไหนได้โอ้เราอยากเพราะความอยากจะทีบจักรยานได้อยากไปไหนมาไหนรวดเร็ว ด, ด้วยจักรยานมีจักรยานคันหนึ่งเขาสมัยนั้นเขาเรียกจักรยานแก๊ล่อนรู้จักแก๊ล่อนใช่ไมไม่มีอะไรเลยเป็นการผู้ใหญ่ด้วยเราเป็นเด็กชั้นป .7 พยุงจักรยานก็แทบไม่ได้แต่ก็พยายามจูงมันไปเรื่อยๆขึ้นไปบนเนินคิดเอาเองคิดเอาเองว่าเราจะต้องหาทางขึ้นไปบนจักรยานแล้วทำยังไงเราจึงพยุงตัวบนจักรยานได้ไม่มีใครสอนรู้แต่ว่าต้องมันรู้สึกขึ้นมาว่าต้องเป็นอย่างนี้แหละก็จูงมันขึ้นไปที่สูงสูงจากนั้นก็ขึ้นปุ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปมันก็อึกลม้มขึ้นมาให ม, ม่อีกไปอีกอึกลม้มไปครั้งแรก ครั้งที่สองออดีขึ้นครั้งที่สมดีขึ้นเนี่ยครั้งที่สที่ห้าดีขึ้นวันที่สองกราบแจกของเรียนไม่ป็นสนใจอย่างอื่นอาหารการกินไม่สนจูงจักรยานขึ้นไปที่เดิมมันอยากที่จักรยานได้น่าแข้งทะลอกปอกเปิกช่างมันแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นอยู่พอเราเริ่มทําแล้ววันที่สองพยุงได้นานขึ้นกว่าเดิมล้มน้อยลงกว่าเดิมวันที่สาม ลงมาได้แล้วลงมาได้แล้วแต่ยังถีบไม่ได้วันที่สี่เริ่มก็แ ก, ก๊กก็แ ก, ก๊กก็แ ก, ก๊กไอเอวนี่มันโอ้โหมันแข็งหนาดูเลยนะมันจะล้มอยู่เรื่อยบางทีก็ล้มมีวันต่อมาอีกถีบก็แ ก, ก๊กก็แก๊กก็แก๊กสะดวกวันต่อมาหลบหลบหลบหลบล บ, บิดไปบิดมาบิดไปบิดมาวันต่อมาคล่องขึ้นคล่องขึ้นต่อมาก็ถีบในที่ราบได้ไปตามลําดับลําดับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้ามา เราจะมาว่าขี่จักยานเป็นยังไงทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ทําผลก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานี้อุปมาให้ฟังว่าต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้หมายความว่าพอเราถีบได้แค่รอบๆเอวแข็งๆแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปมันไม่ใช่ถีบไปชํานานขึ้นชํานานขึ้นชํานานขึ้นเห็นต่อหลังปล่อยมือก็ได้เห็นเขาปล่อยมือเราปล่อยมือได้บ้างแต่ก็รีบจับเร็วๆต่อมาก็ปล่อยถือนั่งสติ๊กด้วย เห็นนกยิงได้ด้วยชํานาญถึงขนาดเรียกว่าถีบยานเร็วๆแ ล, วแล้วยิงหนังสติ๊กได้นี่มันพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ, ๆการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการแรกๆที่ถามนี่รู้สึกว่าน่าจะขี้เกียจมากกว่าไม่อยากปฏิบัติอะอยากถามสัก่อนนะถามให้มันมันๆอย่างนั้นแหละนี่จกโมโหแล้วนะเนี่ย เจอเจอลูกศิษย์ขี้เกียดนี่ไม่ได้โมโหเลือดขึ้นหน้าอ่ะไม่ตอบละใจมันบางทีก็อยากจะตอบดีหรือไม่ดีไม่ตอบ